ท่านไปแสดงธรรมเพื่อร่วมบริจาคช่วยชาติกับท่านด้วยความเมตตาสงสารของท่านต่อพี่น้องชาวไทยเป็น ล, นล้นพ้นแม้จะชราภาพหรือเหน็ดเหนื่อยเพียงใดท่านก็อุตจาฝื้นสังขารไปแสดงธรรมเทศนาได้ท่ามกลางความห่วงใยของลูกศิษย์พระเนนคราวาช